สาธารณะเกินไปหรือในโลกเนี่ยจะเป็นสุขเป็นทุกข์จะดีใจเสียใจคุามร้ยายคุ้มดีก็ไปจะนั่นหรือแล้วเรามารู้เรื่องนี้จะเป็นยังไงถ้าจะเป็นชีวิตถือเหลืออยู่นี้เอาบทเรียนจากอดีตที่ผ่านมาก็ได้เราจึงน่าจะเปลี่ยนล่ายเป็นดีสักเรื่องสองเรื่องพอที่จะยกมือไหวตัวเองได้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 มันมีทางอยู่เหมือนหน้ามือหลังมือเพิ่มทุกเหมือนหน้ามือพว่ไม่ทุกก็เหมือนหลังมืออยู่ที่เดียวกันเพิมโกรธเหมือนหน้ามือกว่าไม่โกรธก็เหมือนหลังมืออยู่ที่เดียวกันถ้าเราศึกษาเล้วอนี้มันง่ายง่ายไม่ยากเลยไม่ต้องโกรธไปทนไปดูไปดา่าไปทำอะไรต่างๆไม่ต้องโต้อตอบทักท้วงตรวจสอบตรวจสอบเพื่อให้ผงใสทะลุทะลวงได้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 ความผิดมันบอกความถูกมันบอกอันนี้แล้ว่าดูแลศึกษาชีวิตของเราดูจัดสันชีวิตเราดูให้มันมีที่มีทางได้หลักได้เลิศถ้าจะพูดแล้วชีิตของเราเนี่ย ม, มีบ้านเหมือนกันใจก็มีบ้านใจก็มีบ้านบ้านของใจคือปกติถ้าผิดปกติเสียว่าจิตใจพัดบ้านพัดถิ่นแล้ว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 คนเลวมาอยู่จนพล่ายมาอยู่ภาษาลาเซงูก็ลุก ล, ลังหรือเจียหายไปได้สาราะมันไม่ว่าอะไรใจของเราก็เหมือนกัน่ะสาธาระสําซ้อนถ้าเรามาดูแลเราจะปล่อยให้ใจเราสําซ้อนเราก็เป็นโทษเป็นภัยตัวเราต้องดูแลตัวงชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยดูแลให้ดีดูแลให้คุ้มเห็นช่องทางอะไรที่เกิดขึ้น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 ยากกันไปสามีปัญญาแตกเล่าสามีกันพื่น้องแตกเล่าสามีกันเพราะของโกรธบงการทั้งทั้งนี้มันไม่มีอันตัวโกรธไม่ใช่ใจเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นกับใจเหมือนจระดังนี้โศกปกมันไม่ใช่จระดังนี้เอาออกได้รู้ออกได้ใจที่มันโศกภพันโกรธมันโลกมันหลงมันวิตกกังวลเอาออกได้เปลี่ยนนด้ทำใหม่ทำใหม่ตั้งต้นใหม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 เดนใจธรรมดามันรับแคบมันมัดมือโชคเราเหมือนปิดประตูย่อมีเราต่อไปเห็นไปเห็น่าเห็นรูปเห็นนามเป็นรูปเป็นนามกลายเป็นรูปที่มันรู้สึกเจ็บปวดคิดโน่นชิดนี้เป็นนามารรมไม่อยู่ด้วยกันพ่าเห็นเป็นรูปเป็นนามก็ไม่ต้องเรียกว่าสุขวะทุกเป็นอาการเป็นเลยกันรูปทำนามทำ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 ตรงนับหนึ่งจากตัวเราก่อนเราละคนหนึ่งอ่ะชีวิตในชาตินี้จะต้องทำเรื่องนี้ดูสักครั้งหนึ่งนะอันนี้มีคอร์สมีการสะบักมาเนี่ยง่าโมโหตรามากเป็นเพื่อนที่นี่รับผิดชอบก้าคขหลงทิดอะไรมาปัญหาอะไรก็มาถามให้ถามถามที่อาการเกิดขึ้นอย่าคิดมาถามปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงเอามาถามได้จะไม่พาหลงทิดหลงทางแน่นอนจึงผู้ถูกันฟัง ได้ยินไหมพูดภาษาบ้านเร า, น, น, น, ร า, เากกนั่งอยู่นี่นี่คือพระสงฆ์ยอดยมอวบโฉกนั่งอยู่นน่นพูดกันอย่างนี้รู้เรื่องกันบอกให้รู้สติอ๋อสติคือความรู้สึกความเลือกได้แล้วก็อยู่ได้เราพูดแจ้สิ่งที่เราทำเราทำในสิ่งที่เราได้ยินมามันก็สมดุลพอดีเหมือนกับเราไม่เครื่องรับมีขึ้นที่เขาสง่งอออะไรต่างๆมาเรารับได้